ท่านพระเทวานุเทระและท่านพระผู้บวชใหม่คือท่านพระนวกะทุกรูปวันนี้เป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งสําคัญเป็นพิเศษสําหรับพระภิกษุสงฆ์แล้วก็เป็นวันสําคัญทางพระวินยัยดังที่เราทราบกันอยู่ว่าวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานั้นแยกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆคือวันสําคัญ ที่เกี่ยวกับการบูชาแลการบูชานั่นก็โยงถึงการบูชาพระรัตนตรยัยแลการบูชาพระรัตนตรัยนั่นก็โยงต่อไปถึงเนื่องด้วยเหตุการณ์สําคัญในพระพุทธประวัติคือเหตุการณ์ในประวัติของพระพุทธเจ้าหมายความว่าเราระ ล, ลึกถึงเหตุการณ์ในการบําเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธองค์ แล้วก็มีเหตุการณ์ไหนที่สำคัญเราก็มาจัดขึ้นเป็นวันที่ระลึกแล้วทำพิธีบูชาใ น, นวันสำคัญประเภทนี้ก็จะมีคำาบูชาหลงท้ายเช่นที่สำคัญที่สุดเป็นหลักกันวันวิสาขาบูชาอันนี้เป็นหลักมาแต่เดิมแต่เดิมก็มีวันเดียวเท่านั้นคือวิสาขาบูชาอยู่ที่องค์พระพุทธเจ้าเลยวันประสูตรตรัสรู้และบ ร, ริณิพาน ต่อมาก็มีนักปราชญ์ที่ท่านเห็นว่าเหตุการณ์อื่นก็สำคัญแม้จะน้อยกว่าก็ควรจะมีพิธีบูชาหรือมีการทำพิธีระลึกถึงด้วยก็เลยเกิดวันสำคัญขึ้นมาในเมืองไทยก็มีวันอัฐมีบูชาสมัยก่อนคือสืบเนื่องจากพระพุทธเจ้ามีวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแล้วเมื่อหลังปรินิพพานไปได ผ่านเจ็ดวันแล้วก็มีพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระก็เลยจัดเป็นวันสำคัญขึ้นมาด้วยเรียกว่าวันอัทมีบูชาคือวันแรมแปดค่ำเดือนหกซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีปฏิบัติแล้วนั่นกลับมีมานานก็คือเนื่องไปจากวันวิสาขบูชาที่ว่าประสู ต, ตรสรุปปรินิพานหลังปรินิพานก็ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ นี่ต่อมาก็สมัยรัชกาลที่สี่ในหลวงรัชกาลที่ 4, สี่ทรงเห็นว่าเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโออาทภาธิโมกข์ที่ประชุมสงฆ์ที่เรียกว่าจาตุรงคกสันนิบาตในวันค้นสิบห้าคำเดือนสามก็ถือว่าสำคัญมากเหมือนกันเพ ร, ะพระาะภาษาวกมาประชุมใหญ่แล้วก็แสดงหลักการสำคัญเป็นเครื่องนัดหมายให้พระสงฆ์ได นำไปปฏิบัติและนำไปสั่งสอนเป็นแบบเดียวกันก็เตวโงก็จัดให้มีพิธีบูชาขึ้นก็เลยเรียกว่ามาคาบูชานั่นวันเพ็ญเดือนสามก็เกิดรัชกาลที่สี่นี่เองไม่ใช่ของดั้งเดิมเหมือนวิสาขาบูชานี่ต่อมาถึงพศออ2500ประเทศที่นับถือพุทธศาสนาที่สำคัญสำคัญก็พากันจัดงานใหญ่ เรียกว่าฉลอง25พุทธศตรวรรษแม้แต่ประเทศอินเดียซึ่งถือว่าพุทธศาสนาสูญสิ้นไปแล้วแต่ว่ามีความสําคัญในประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากรัฐบาลยุคนั้นมีนายกรัฐมนตรีคือท่านเนรูซึ่งเป็นผู้ที่มีความรักในพระพุทธเจ้ามากตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วก็เอาใจใส่พระพุทธศาสนาแม้แต่ว่าอยู่ในสายของศาสนาพราหมณ์แต่ตัวเอง ก็เอาใจใส่รัฐบาลอินเดียก็เลยจัดงานฉลอง25พุทธศตรวตรรดษด้วยเรียกว่าพุทธยชยยันตีประเทศต่งตางๆก็จัดงานเมืองไทยเราก็จัดงานฉลอง25พุทธศตรวตรรษพอจัดงานเสร็จแล้วก็คณะสงฆ์ได้มองเห็นว่าวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงประตมเทศนาเทศครั้งแรกก็ต้องถือเป็นสําคัญเหมือนกัน ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงปฐมเทศนาไม่มีเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ไม่มีการประดิษฐานพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็ไม่มีการสืบต่อมาอาจจะไม่ได้เจริญรุ่งเรืออย่างนี้ก็ได้ก็เลยเสนอรัฐบาลว่าน่าจะให้ประกาศวันเพ็ญเดือนแปดวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทียบก็คือเมื่อวานนี้เอง ให้เป็นวันสําคัญตามพระพุทธศาสนาด้วยเรียกว่าอาสาลหบูชารัฐบาลก็มีมติเห็นชอบก็จึงประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเวลานี้ก็เมืองไทยก็วันสําคัญประเภทบูชาก็มีสามนี่แหละวิสาขบูชาเป็นหลักตะเดิมแล้วก็มาขบูชารองลงมาแล้วก็อาสารหบูชานี่เรียกว่าวันสําคัญประเภทบูชาที่ระลึกถึงพระรัตนตรัย เกี่ยวด้วยเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาสืบเนื่องจากพระประวัติขององค์พระบรมศาสดาทีนี้วันสําคัญอีกประเภทหนึ่งก็คือวันสําคัญที่เกี่ยวกับพระวินยัยก็อย่างวันเนี้วันนี้วันคำพรรษานี่ไม่มีคํว่าบูชาเป็นวันที่เกิดจากพระวินยัยคือพุทธบัญญัติพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระสงค์เมื่อเข้าฤดูฝนแล้วให้ อยู่ประจำที่มาอยู่ประจำที่ในฤดูฝนฤดูฝนภาษาบาลีเรียกว่าวัฏสะเป็นสันสกฤตมาเป็นไทยก็กลายเป็นพรรษาพรรษาก็คือวัฏสะนั่นเองพร น, นาก็แปลว่าฤดูฝนให้อยู่ประจำที่ในฤดูฝนก็เรียกสันส้นๆว่าจาพรรษาจำพรรษาก็คืออยู่ประจำที่ในฤดูฝนมาจากพุทธบัญญัติ เมื่อพระสงฆ์ถือปฏิบัติตามพระวินัยนี้เมื่อถึงวันนี้กิจกรรมต่างๆก็เลยเกิดมีขึ้นมาเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพุทธบัญญัตินั้นเมื่อพระสงฆ์มีการปฏิบัติทำกิจกรรมการอธิษฐานภ ร, รษาเตรียมการต่างๆพุทธบริษัทได้รู้ได้เห็นก็มาร่วมมือเพราะว่าพุทธบริษัทและอุปธ ร, รมพระสองฆ์อยู่ก็มาอุดหนุนมาร่วมมาจัดอะไรต่างๆ ก็เลยเกิดเป็นประเพณีขึ้นมามีการทำบุญเช่นเลี้ยงพระแล้วก็มีอุปกรณ์วัตถุสิ่งของอะไรที่พระจะต้องใช้ในการอยู่จำพรรษาญาติโยมก็จัดปฐวายจัดไปจัดมาอะไรที่เป็นเรื่องสาคัญในที่สุดก็เกิดเป็นประเพณีขึ้นมานั่นยังว่าเรื่องของพระนั่นเองที่ว่าจะต้องอยู่ประจำที่ สาระสำคัญก็คือเมื่อถึงวันนั้นพระสงฆ์ก็มาประชุมกันตกลงว่าอยู่วัดไหนแล้วก็มาทำกิจกรรมที่เราเรียกว่าพิธีอธิษฐานบรรษาก็คือกำหนดใจหรือตั้งใจว่าจะอยู่ประจำในที่นี้ตลอดสามเดือนคำว่าอธิษฐานก็แปลว่าตั้งใจแน่นอนลงไปไม่ได้มีความหมายอย่างในภาษาไทยภาษาไทยอธิษฐานนี่กลายเป็นว่าตั้งความปรารถนา กลายไปว่าอยากได้โนนได้นี่ขอให้ได้นั่นได้นี่ความหมายก็ค่อยๆเพี้ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งผิดแม้แต่ธรรมะไปเลย อ, <า>อธิษฐานในนี่คนไทยก็กลายเป็นขอนโน่นขอนี่จนจะต้องล้อว่าของพระนี่อธิษฐานเพื่อจะทำแต่ของชาวบ้านคนไทยทั่วไปกลายเป็นอธิษฐานเพื่อจะได้ของพระไม่มีอธิษฐานเพื่อจะได้อธิษฐานเพื่อจะทำหมายความตั้งใจว่าจะทาอะไร คิดว่าจะทําแน่ลงไปแล้วก็อธิษฐานจิตพุทธศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาที่สอนให้ตั้งความปรารถนาเพื่อจะได้จะเอาโดยให้คนอื่นทําให้แต่ว่าให้ตั้งใจเด็ดเดียวมั่นคงว่าจะทําอะไรเหมือนอย่างพุทธเจ้าทรงแน่พระไทยว่าทางนี้ถูกต้องแล้วตั้งพระไทยเด็ดเดียวก็ต้องไปให้สําเร็จอย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานจิตอธิษฐานเพื่อทํา ทีนี้หลังเรานีนก็อธิษฐานพรรษาก็คือตั้งใจกําหนดตัดสินแน่วแนลงไปว่าจะอยู่ที่นี่นีก็คือทำนั่นเองการอยู่ก็เป็นการกระทําอย่างหนึ่งตั้งใจเด็ดเดียวว่าอยู่ที่นี่อธิษฐานใจจีวรอธิษฐานบาตรก็คือกําหนดลงไปว่าเอาอันเนี้ยเป็นของใช้ประจําตัวนี่คือความหมายของอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานพรรษาก็ไม่มีอะไรมากก็ตั้งใจ แน่ลงไปว่าอยู่ที่นี่ตลอดเวลาสามเดือนก็กล่าวหมายว่าอิ ม, มัตสงอาวาเสออิมังเตมาสังวัดสังอุเปมิก็แปลว่าอุเปมิแปลว่าข้พาพเจ้าตกลงเข้าอยู่วัดสังพรรษาก็คืออยู่ประจําฤดูฝนอิมังเตมาสังตลอดไตรมาสนี้ไตรมาสเตมาสก็คือไตรมาสสามเดือนนี้ อิมัตส밍อาวาเสในวัดนี้ก็เท่านี้เองก็รวมความก็บอกว่าข้าพเจ้าตกลงเข้าอยู่จําพรรษาตลอดไตรมาสในวัดนี้แล้วก็ยังถือว่าเวลากลับไปกุฏิแล้วจะไปอธิษฐานซ้ําอีกก็ได้ก็เปลี่ยนอิมัสสิงอาวาเสเป็นอมิยมัตส밍วิหาเรเอก็แลปลว่า อยู่ตลอดไตรามาสในวิหารคําว่าวิหารพอรที่อยู่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นวิหารในภาษาไทยภาษาไทยวิหารก็เพี้ยนอีกคือภาษาไทยนี่คําพระนี่เพี้ยนแทบทั้งหมดแทบจะไม่มีเหลือความหมายมันกลายกลายกลายไปทีนี้ไม่มีการศึกษาพุทธศาสนานี้อยู่ได้ด้วยการศึกษาเมื่อไม่มีการศึกษาพูดต่อกันไปก็เพี้ยนหมดอย่างน้อยความหมายก็แคบลงบ้าง หรือว่าเลื่อนลางลงไปบ้างถํามันงั้นหนักเข้าก็เคลื่อนคลาดไปเลยกลายถึงตรงข้ามก็มีก็ของเดิมก็เอาไปว่าอธิษฐานภ ร, รษาการอธิษฐานทั้งวัดก่อนจะไปอธิษฐานที่กุฏิก็ได้แต่แต่ไม่จำเป็นนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเกิดความรังเลไม่สบายใจอีกเกิดรุ่งอรุณขึ้นมานอกกุฏิอีก ความจริงคําว่าอาวาเสกวิหารเรนั้นเดิมท่านใช้แทนกันได้ได้ซ้ําวิหารเรก็หมายถึงทั้งวัดนี่แหละก็ใช้แทนคําว่าอาวาเสได้คําว่าวัดนี่มีหลายคําอาวาเสก็แปลว่าวัดวิหารเรก็วัดอารามเอกวัดและคําที่เก่าที่สุดตอนพระพุทธเจ้าอนุญาตวัดใช้คําว่าอารามพุทธเจ้าตรัสว่าเราอนุญาตอาราม นี่คือคำอนุญาตให้มีวัดอารามก็คือสวนน่สวนก็คือเต็มไปได้วยต้นไม้ที่รื่นลมต่อมาก็ในสวนนั้นนี่ยมีกุฏิที่อยู่มีอาคารก่อสร้างเป็นหลังๆอาคารที่ก่อสร้างเป็นหลังๆนั่นแหละเรียกว่าวิหารนคือที่อยู่ซึ่งอยู่ในอารามอีกทีหนึ่งนีตอนแรกก็เป็นที่อยู่แบบเป็นหลังเล็กๆ ต่อมาก็เรียกรวมหมู่วิหารนั้นก็เรียกรวมกันทีเดียวว่าวิหารคาว่าวิหารก็กลายเป็นสมุหนามคล้ายคลายคอลเลกทีฟนาวเป็นชื่อรวมไปตอนนี้ก็เลยกลายไปว่ากุฏิทั้งหมดอาคารทั้งหมดก็เลยรวมเป็นทั้งวัดนี่แหละเรียกว่าวิหารนี่คือจะเรียกว่าวิวัฒนาการก็ไดนะ้ทีนี้อีกศัพท์หนึ่งคำว่าวิหารเนี่ย ถ้าใช้ศัพท์ภาษาบาลีเนะี่ยวิหารก็แปลว่าที่อยู่แล้วอีกศัพท์หนึ่งอาวาสอาวาดอาวาเสก็แปลว่าที่อยู่เหมือนกันก็เลยเอาคาว่าอาวาเสมาใช้แทนก็ได้ก็เกิดวีคัมก็คืออาวาเสแลวกลายเป็นว่าคำว่าวัดนี่มีคำที่ใช้กันมาทั่วไปตอนนี้ก็เท่ากับสามคำแต่ว่ามีความเป็นมาตามลำดับอย่างที่ว่า แต่ยังมีคำเดิมบางทีอย่างที่ว่าวันะวันละก็วันละก็แปลว่าป่าเลยอย่างเชตวันอย่างงี้เวเวลวันอย่างเงี้ยชื่อเป็นป่าเท่านั้นชีวกัมพวันอัมพวันป่าหรือยานเวสกวันเนี่ยก็ป่าเท่านั้นเนยบางทีก็ใช้ตัววันเนี่ยก็หมายถึงวัดไปด้วยแต่ว่ามันเป็นศัพท์ที่ไปซ้ำกับป่าทั่วไป ก็เพื่อจะให้ชัดลงไปก็ระบุก็ใช้เป็นอารามวิหารอาวาสและปัจจุบันนี้ก็เลยมานิยมก็เป็นยุคสมัยบางครั้งก็จะนิยมใช้ว่าอิมัสมิ่งงหาเร่และตอนนี้มานิยมใช้อิมัสมิงอาวาเสก็จะใช้คำไหนก็ใช้ได้นก็ให้รู้ความเป็นมาอย่างนี้รวมความก็คือว่าเรามากำหนดใจแล้วก็เลยมา ทำเป็นกิจกรรมของส่วนรวมเพราะเราอยู่กันเป็นชุมชนเป็นสงฆ์ถ้าทําเป็นกิจกรรมส่วนรวมก็เลยมาประชุมกันกล่าวเป็นถ้อยคําออกมาพร้อมๆกันว่าเราซึ่งอยู่ในชุมชนเนี้มาตกลงกันว่าทุกองค์ที่อยู่ในชุมชนนี้เป็นสมาชิกเนี่ยจะอยู่ประจําที่วัดนี้ตลอดสามเดือนสามเดือนก็เริ่มแรมหนึ่งค่ำเดือนแป คือของพระนี่เริ่มเดือนนี่ท่านใช้แะไรหนึ่งคำแล้วพอไปถึงวันเพ็ญ น, นี่ถือเป็นสุดเดือนของเรานี่เราเรียกสิ้นเดือนวันแรกสิบห้าคำมันก็ยุ่งเหมือนกันแหละการนับเดือนของท่านกับของเราก็ไม่เหมือนกันท่านนับฤดูอะไรท่านก็ไปสุดที่วันเพ็ญแล้วขึ้นสิบห้าคำแรมหนึ่งคำก็แปลว่าวันแรกที่จะเข้าสู่การจํารรษาเริ่มนับการเข้า จำพรรษาฤดูฝนของเราก็ถือเป็นวันเริ่มฤ ด, ดูฝนด้วยวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดแล้วก็นับไปสามเดือนก็ไปสิ้นสุดที่วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดก็เป็นวันสุดท้ายก็เป็นวันสิ้นสุดพรรษาก็เรียกเป็นภาษาจาบ้าว่าวันออกพรรษา น, นี้ถ้าไม่เข้าใจนึกว่า วันขึ้นสิบห้าคำนั้นออกพรรษาแล้วก็เลยจะไปไหนก็ผิดอีกเพราะว่าก็ต้องดูอีกว่าแล้วนับพรรษาไปนี่สามเดือนก็ต้องนับแยกรายละเอียดไปเป็นวันวันวันวันวันไปแล้วไปครบจำนวนวันที่เป็นสามเดือนเมื่อไหร่ก็วันขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบเอ็ดที่ว่าแล้วก็ต้องดูว่าวันเริ่มเวลาไหนสิ้นสุดเมื่อไหร่ ก็ต้องมีวิธีกำหนดอันนี้เป็นเรื่องของข้อตกลงก็ตกลงกันทาแบบแผนมาตตะเดิมตามวินยัยซึ่งเป็นเรื่องของประเพณีเดิมของชนชาวชมพูทวีปด้วยว่านับวันก็นับเมรุ่งอรุณเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและซึ่งมันก็เป็นไปตามธรรมชาติดูง่ายพระอาทิตย์ขึ้นก็เอาเร่มวันก็ไปสิ้นสุดก็ตัดสินในพระอาทิตย์นี่แหละ เพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นมันก็ทั้งจบวันเก่าแล้วก็ขึ้นวันใหม่ดัะนั้นก็ตัดสินกันได้พระอาทิตย์ขึ้นก็เรียกว่ารุงารร่งอรุณรุ่งอรุณก็คืออรุณก็คือการที่พระอาทิตย์ขึ้นฉะนั้นวันสิ้นสุดพรรษาขึ้นสิบห้าคำไปสิ้นสุดเมื่อไรก็ต้องไปสิ้นสุดตอนที่ว่าไปขึ้นวันใหม่ที่จะขึ้นแรมหนึ่งคเดือนสิบเอดเช้าวันนั้นแหละดัะนั้น วันสิบห้าค่ำตอนกลางวันนั้นก็ยังไม่สิ้นสุดพรรษาจริงต้องไปสิ้นเอาตอนที่ไปถึงพระอาทิตย์ขึ้นก็ไปเอาพระอาทิตย์ขึ้นก็เป็นอันบอกว่านี่ขึ้นวันใหม่แล้วนะวันขึ้นสิบห้าค่ำก็จบไปนั้นก่อนที่จะขึ้นแรมหนึ่งค่ำก่อนพระอาทิตย์ขึ้นสิ้นสุดวันขึ้นสิบห้าค่ำเนี่ยก็ยังถือว่ายังไปไหนไม่ได้ต้องจําไว้ด้วย มางเราเดี๋ยวขาดพรรษาอีกแต่ท่านก็มีอีกท่านบอกอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดไม่ต้องไปจำท่านบอกว่าถ้ามีธุระก็ให้ออกไปเลยก่อนเจดวันออกพรรษาไปได้เลยเนยก็ไม่ถือพรรษาขาดแต่นั้นก็ต้องมีการผูกใจตกลงว่าไปแล้วเอาเป็นว่าโดยหลักการทั่วไปก่อนหลักใหญ่ก็คือว่าต้องอยู่ไปจนกทั่งถึงสิ้นสุด ราตรีของวันขึ้นสิบห้าค่จนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นรับอรุณเข้าสู่วันแรมหนึ่งคอันนั้นก็จะไปหมดพรรษาจริงหมดพรรษานี่ก็หมดเวลาสามเดือนหรือไตรมาสที่เราตกลงกันแต่ฤดูฝนยังไม่หมดนะฤดูฝนนี่ถ้านับแบบเดิมก็คือนับตามแบบชมพูทวีฤดูฝนมีสี่เดือนเพราะว่าแบ่งปีหนึ่งเป็นสามฤดู เมื่อแบ่งเป็นสาฤดูก็มีฤดูละสี่เดือนสี่เดือนเพราะฉะนั้นฤดูฝนหรือวัดะแท้เนี่ยก็จะต้องอีกเดือนหนึ่งก็ไปสิ้นสุดเอาขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองก็หมายความว่าแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเป็นวัษสะฤดูฝนออาแล้วทําไมให้จําพรรษาแค่สามเดือน ถ้าให้จำภาษาสามเดือนแล้วอีกเดือนหนึ่งเป็นเดือนเตรียมตัวพระสมัยก่อนก็ไม่อยู่ประจำที่พอหมดฤดูฝนแล้วก็ออกจาดริกต่ออันนี้สมัยก่อนนี้เวลาไปก็ไม่ให้มีภาระอะไรมากก็เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวก็บริขานสำคัญอันหนึ่งก็คือผ้าตราจีวรก็ถือโอกาสเตรียมผ้าใหม่ ก็เลยพระพุทธเจ้าให้เวลาหนึ่งเดือนท้ายฤดูฝนคือเดือนสิบสองเป็นเวลาตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือนสิบอ็ดไปถึงกลางเดือนสิบสองคือขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเป็นจีวรละกาลเป็นเวลาสําหรับแสวงหาและทําจีวรก็พื่นง่ายๆก็คือเตรียมจีวรสําหรับไปจาริกใหม่เวลาไปจาริกก็จะได้ไม่ต้องกังวลนล้วก็เลย มีเวลาหนึ่งเดือนขึ้นมานี้แล้วก็มีพุทธบัญญัติมาทำให้ได้ผลหนักแน่นขึ้นอีกก็เลยมีการทอดกระถินทอดกระถินเป็นเรื่องของโยมที่มาอุปถมัมภะของพระก็คือการท่านเรียกว่าการกรกะถินก็คือทำผ้ากระถินให้สำเร็จผ้ากระถินก็คือผ้าที่ตามพุทธบัญญัติว่าเมื่อจำพรรษาแล้วก็ให้พระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันเนี่ย มาทำผ้าขึ้นผืนหนึ่งผ้าจีวรแล้วก็มาประชุมให้แก่กันมอบให้แก่องค์หนึ่งอันนี้เป็นการแสดงน้ำใจด้วยแล้วก็แต่ละองค์ก็มีภาระของตัวเองในการที่จะแสวงหาแล้วก็ทำจีวรของตัวเองแล้วก็พอผ่านการเวลานี้ไปแล้วก็ออกจาริกกันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรทราบไว้โดยย่อจะเห็นว่า ในตอนที่จะเข้าบรรษาพระก็มีกิจที่จะต้องเตรียมการต่างๆเช่นพวกกุฏิเสนาสนะที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆก็ต้องเตรียมญาติโยมซึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาต้องการบุตรธรรมประสงค์ราบางทีก็มาเลี้ยงดูอุปถัมภ์อยู่เป็นประจำอยู่แล้วเมื่อพระมีการตระเตรียมอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญก็เลยยิ่งมาเอาใจใส่ดูแลก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ พระต้องใช้อะไรมั่งอ้าวแต่ก่อนนี้อาบน้ําฝนหรือดูฝนโยมก็เลยถวายผ้าอาบน้ําฝนก็เกิดประเพณีขึ้นมาก็ถึงเวลานี้ไปอ่านว่าทําพิธีถวายผ้าอาบน้ําฝนกันแล้วก็พระอยู่กันมากๆเวลาจำพรรษามีกิจกรรมเวลาค่ําอย่างทำวัดสดมนหรือพระต้องเรียนหนังสือสมัยก่อนก็ใช้ดวงประทีปใช้เทียนใช้อะไรพวกเนี้ยไม่มีแสง ของไฟฟ้าญาติโยมก็จัดเตรียมพวกประทีปโคมไฟพวกเทียนอะไรต่ๆมาช่วยพระจะได้ปฏิบัติศาสนกิจสะดวกเกิดประเพณีถวายเทียนบรรษาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของฝ่ายญาติโยมเมาประถมกลายเป็นประเพณีทําบุญเนื่องในวันเข้าบรรษานี่แหละที่อย่างที่เมื่อวานซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่มีในพระวินยัยเป็นเรื่องภาระของพระสงฆ์เองแต่ว่าญาติโยมมาประถม อย่างนี้เรียกว่างานบุญที่เนื่องจากพระวินัยสาหรับพระสงฆ์อีกทีหนึ่ง น, นี่ก็ให้ทราบกันไว้ก็แปลว่า น, นี่ก็เป็นวันสาคัญทางพุทธศาสนาตามพระวินัยบัญญัตินี้เมื่อเป็นวินัยบัญญัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระวินัยก็อย่ากที่ว่าเมื่อกีก้เราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องหนึ่งการเวลาการเวลาก็บอกแล้วว่าเริ่มแลมหนึ่งค่ วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดแล้วก็หมายถึงว่าสิ้นสุดราตรีของขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนั้นลุ่งสว่างรับอรุณของวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดก็ครบสามเดือนนี่เป็นเรื่องการเวลาก็อยู่ประจําที่ก็เรียกว่าเวลาอารุณและต้องให้อยู่ในเขตวัดนี้ กลคืนอาจจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีกําหนดว่าตกลงว่าเวลาไหนที่เราจะเอาเป็นแน่นอนว่าอยู่ก็คือกำหนดด้วยอรุณอาจจะมีธุระไปแล้วกลับมากลางคืนก็มาให้ฐานรับอรุณนี่ก็เป็นหลักการแล้วก็จะออกไปไหนก็เช่นเดียวกันก็ไปออกไปต้องให้อรุณแล้วก่อนถ้าไม่อรุณก่อนก็ถือเคร่งคัดก็เป็นขาดภรษาเป็นกันอันนั้นก็สําคัญอันนี้เมื่ออยู่ประจําที่ตลอด สามเดือนไม่ไปค้างแรมที่ไหนก็มียกเว้นให้อีกถ้ามีธุระจำเป็นเช่นว่าโยมพ่อโยมแม่ป่วยอาจจะอยู่ไกลต่างจังหวัดหรืออุปชาไม่ได้อยู่ด้วยพอบวชแล้วก็แยกไปอยู่วัดอื่นอุปชาป่วยจะไปพยาบาลรักษาเป็นต้นหรือมีกิจนิมนต์ของญาติโยมซึ่งเป็นเรื่องของ ผู้ศัทธาเป็นกิจพระศาสนาอย่างนี้ถือว่าเป็นกิจสำคัญที่ยกเว้นก็ให้ไปได้แต่ให้กลับภายในเจ็วันก็เลยเกิดมีพุทธบัญญัติยกเว้นในเรื่องนี้ว่าถ้ามีกิจก็เรียกว่ากรณียะนั่นเองคำว่ากิจนี่มันคู่กับคำว่ากรณียะในในที่นี้เรียกว่ากรณียะ เป็นกรณีะก็คือสิ่งที่ต้องกระทำกรณีะก็แปลว่าสิ่งที่พึงกระทำหรือต้องกระทำทีนี้สิ่งที่พ้องกระทำขึ้นมานี่ก็เลยอนุญาตว่าให้ไปได้แต่ก็มีกำหนดเวลาว่าให้ไปได้แค่เจ็ดวันก็เลยตกลงว่าถ้ามีกิจอย่างที่ว่าเมื่อกี้ให้ไปได้โดยกำหนดใจว่าเราจะไปทำให้เสร็จแล้วกลับมาภายในเจ็ดวัน ก็นับเจ็ดวันก็นับโดยวิธีที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยรับอรุณที่เจ็ดทีนี้คำว่าเจ็ดวันก็เรียกเป็นภาษาบาลีว่าส ah ัปตาหะมาเป็นไทยเรียกตามสันสกฤตเป็นสัปตาหะคำเดียวกันสัตตาหะสัปตาหะนี้ไทยเราใช้ตามสันสกฤตก็เป็นสัปตาหะแผลงเป็นไทยต่อเป็นดอเป็นสัปดาห์การันที่ตัวหอซะนี่บาลีก็เป็นสัตตาหะ กรณียะสิ่งที่ต้องกระทำสัตตาหะในเวลาเจ็ดวันก็รวมเรียกว่าสัตตาหะกรณียะก็คือกิจหรือสิ่งที่หรือเรื่องที่จะพึงกระทำให้เสร็จในเจ็ดวันก็ถ้ามีเรื่องอย่างที่ว่าเช่นอุปชาป่วยปายกิจนิมนต์สำคัญก็เลยเรียกกันว่าทำสัตตาหะไปก็คือสัตตาหะกรณียะเรียกให้สั้นลงไปมาให้ทานภายในเจ็ดวัน นี่ถ้าให้เสร็จในเจ็ดวันท่านบอกให้กลับมาก่อนแล้วสัตตาไปใหม่ก็ทําเป็นช่วงๆไปเช่นวุฒิชาท่านอาจจะป่วยเรือรังอย่างนี้เป็นต้นก็ไปอันนี้ก็เป็นเรื่องพิเศษยกเว้นขึ้นมาแต่ก็มีอีกบอกว่าถ้าเกิดวัดถูกน้ําท่วมใหญ่อย่างนี้เป็นต้นท่วมทั้งวัดอยู่ไม่ได้ทําไงนี่ท่านก็ยกเว้นบอกว่าเป็ น, นว่าให้ไปได้เลยก็แปลว่าขาดราษาแต่ว่า ไม่เป็นอาบัติเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจพูดเท็จก็เป็นเรื่องรายละเอียดอันนี้ก็ไม่จาเป็นจะต้องรู้รายละเอียดมากนะักนี่นอกจากการเวลาก็ต้องรู้สถานที่หนึ่งก็จำภาษาก็ต้องรู้เรื่องเวลาธรรมดาทีนี้จำภาษาที่ไหนก็ต้องรู้เกี่ยวกับสถานที่ก็ต้องรู้กาหนดเกี่ยวกสถานที่ว่าอ้อเราจำภาษาในวัดยาณเวสกวัน ก็กำหนดเขตสมัยก่อนนี้จะต้องบอกกันละเอียดเพราะว่าวัดสมัยก่อนไม่ค่อยมีกำแพงไปดูเถอะวัดโบราณตามต่างจังหวัดนะก็เป็นวัดของชุมชนนั้นะมันก็เป็นที่สาธารณะถึงแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังถือว่าวัดเป็นที่สาธารณะอยู่เป็นที่ของประชาชนวัดก็ต้องรู้กันว่าเออแค่ไหนเป็นเขตวัดแต่ประชาชนจะให้ความสำคัญว่าเพราะถือเรื่องบาป บ, บุญเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ ก็พอเข้าเขตวัดนี่เขาก็จะให้ความสําคัญเช่นเรื่องการใส่รองเท้าถอดรองเท้าแม้แต่เรื่องการที่ว่าจะมีทรายติดไปกับรองเท้าอะไรเงี้ยนะกลัวมากปีนหนึ่งก็ต้องเอาทรายมาชดใช้ถวายวัดเกิดประเพณีก่อเจดีทรายอะไรเงี้ยชาวบ้านก็ถือมากถือเป็นเรื่องสําคัญนี่ก็ก่อนก็เลยต้องบอกว่าวัดของเรามีเขตแค่ไหนต้องรับอรุณภายในเขตนั้นนะจะไป รับอรุณนอกเขตถ้าไปนอกเขตแล้วอรุณขึ้นก็กลายเป็นว่าขาดภรษาอย่างวัดเราเวลานี้ก็เลยพูดง่ายบอกว่าเอากาแพงเป็นที่กาหนดก็เท่านั้นเองใช่ไหมเวลานี้เราวัดตอนนี้ก็กำลังขยายกาแพงเพร่โยมถวายที่เพิ่มตกลงว่าเรื่องสถานที่กาหนดเขตนี้ก็ไม่ต้องอธิบายก็รับอรุณการภายในนี้เมื่อจามรษาครบ สามเดือนแล้วก็จะได้อานิสงค์อานิสงค์ก็คือสิทธิพิเศษสิทธิพิเศษที่ได้จากการที่ได้จําบรรษาก็มีข้อต่างๆนะเช่นได้รับกรถิน่นรับกรถินได้เป็นตน้นเที่ยวไปไม่ต้องบอกลาไปไหนไม่ต้องเอาใยจีวรไปครบสําหรับเป็นตน้นอันนี้เอาไว้เรียนกันอีกทีเพราะว่าบอกในะที่นี้ก็ทําให้มากมายจําฟั่นเฟือ เอาว่านี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับพระวินยัยเรื่องเป็นเรื่องของพระสงฆ์เท่านั้นเองแท้จริงแต่ว่าโยมก็มาอุปถัมป์ทีนี้พอเกิดเรื่องข้อบัญญัติทางพระวินัยแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามทําวินัยให้เกิดประโยชน์ที่สุดพระวินัยนั้นก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งวางระเบียบระบบเป็นเรื่องของบัญญตัติเป็นเรื่องของสมมตินะวินัยนี่เป็นเรื่องสมมติบัญญัติทางนั้นไม่ใช่เรื่องความจริง เรากําหนดวันจำพรรษาพระจะต้องอยู่อย่างนี้อะไรมันมีที่ไหนโดยธรรมชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นวินัยนี่เป็นเรื่องของการจัดตั้งของมนุษย์ก็เรียกว่าสมมติบัญญัติแต่สําคัญไม่ได้เหมือนในภาษาไทยคนไทยถือว่าสมมติแล้วไม่สําคัญแทบจะมองเป็นเหลวไหลแต่ของพระนี่สมมติสําคัญมากท่านบอกสัจจะมีสองอย่างสัจจะความจริงหนึ่งสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติ สองปรมาทสัจจะความจริงโดยความหมายอย่างยิ่งหรือความหมายสูงสุดที่มนุษย์จะเข้าใจได้เป็นสภาวะสัจจะหรือปรมาทสัจจะก็คือความจริงตามธรรมชาติแท้ๆของมันเหมือนอย่างเรามาเรียกว่าพานมันก็เป็นคำของมนุษย์ตกลงกันเรียกธรรมชาติมันไม่มี เรามาจัดทำรูปร่างนี้ใช้เพื่อประโยชน์อย่างนี้เราก็เรียกชื่ออย่างนี้แล้วก็หมายรู้กันนี่อย่างนี้เรียกว่าสมมติสมสมติแปลว่าอะไรสมมติมาจากสังบวกมติมติแปลว่ามติการยอมรับการรับรู้ข้อตกลงและสังไปร่วมกันสมมติก็แปลว่ามติร่วมกันหรือข้อตกลงหรือการหมายรู้ร่วมกันยอมรับร่วมกันไม่ใช่เรื่องเหลียวไหล ก็เป็นความฉลาดของมนุษย์การที่มีสมมติก็คือเป็นที่มาของอาริยธรรมเลยถ้ามนุษย์ไม่มีสมมติแล้วความเจริญของโลกเกิดไม่ได้มนุษย์เนี่ยรู้จักสมมติจึงทําให้เกิดความเจริญต่างๆในวัฒนธรรมอาริยธรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นสมมตินี่สําคัญอย่างยิ่งเอาไปว่าสมมตินี้แปลว่ายอมรับร่วมกันตกลงกันภาษาเกิดได้ด้วยสมมติ เราตกลงกันว่าเอานะอันนี้เรียกว่ากระดานอันนี้เรียกว่าพรมอันนี้เรียกว่าจีวรแม้แต่ตัวคนอะองนี้เรียกชื่อว่าอย่างนี้เรียกชื่อว่างั้นสมมติทางนั้นมีมติร่วมกันถ้าตกลงกันแล้วไม่ถือตามยุ่งเลยถูกไหมเพราะนั้นเมื่อตกลงกันยังไงแล้วก็ต้องยอมรับอย่างพระสงฆ์เนี่ยท่านมีพิธีสมมติอย่างสีมาเนี่ยเวลาทําพิธีเขาเรียกว่าสมมติสีมาภาษาบาลีเรียกว่าสีมาสัมมติ การสมมติสีหมาก็คือตกลงกันกําหนดว่าเอานี่เขตนี้เป็นที่ประชุมสงหรือว่าเวลาแต่งตั้งพระทรหน้านที่ก็มาประชุมกันแล้วก็ตกลงกันว่าเอานะองค์นี้มติที่ประชุมให้เป็นผู้ทาหน้านที่จัดกิจนิมนต์สำหรับพระตาหารเป็นต้นเรียกว่าพระตุเท หรเรื่องจีวรก็มีพระแบ่งจีวรพระเก็บจีวรสมัยก่อนนี้ต้องมีหน้าที่แบ่งก็ต้องมาสําเร็จด้วยการประชุมประชุมก็มีมติร่วมกันมติร่วมกันเรียกว่าสมมติการที่มติที่ประชุมแต่งตั้งพระในเรียกว่าสมมติท่านั้นพิธีสมมติสมมติเป็นเรื่องใหญ่เป็นกิจกรรมของส่วนรวมของชุมชนของสังคมเมื่อมีมติร่วมกันเป็นสมมติอย่างไรแล้วต้องยอมรับตามนั้นถ้ามาเงินแล้ว สังคมชุมชนอยู่ไม่ได้แต่ว่าขอให้สมมตินั้นตั้งอยู่บนฐานของความชอบธรรมเกิดขึ้นจากเหตุผลที่เรียกว่ามีธรรมะเป็นเทื่องรองรับอันนี้เรียกก็สมมตินะวินัยก็เป็นเรื่องสมมติคือเป็นมติตกลงกันว่าเอาอย่างนี้เมื่อสมมติอย่างแล้วก็ยังมีคำว่าบัญญัติคำว่าบัญญัติเนี่ยที่จริงมันมาจากภาษารูปธรรมแปลว่าจัดตั้งเช่นเรามาจะมาประชุมกันเนี้ย ทำไงจะให้มันประชุมกันได้เรียบร้อยมานั่งไปที่เป็นทางทํากิจกรรมได้สะดวกก็มีการขนอาสง์มาจัดเข้าที่จะนั่งประชุมแบบไหนจัดเป็นแบบนั่นและจัดพรมตั้งอาสนะอะไรทั้งหมดนี้เลยว่าเป็นคําเดิมความหมายเดิมของคาว่าบัญญัติคือคําว่าบัญญัติเนี่ยมาจากภาษาวัตถุก่อนคือภาษาต่งตางๆธรร ม, มะเนี่ยมาจากภาษารู ป, ปธรรมก่อนฉะั้นย่งมักเนี่ยก็คือทางเดินนั่นแหละ แล้วมางกลายมาเป็นทางชีวิตไอ้คำว่าบัญญัตินี่เดิมก็ปัญญาปณะนะก็คือจัดตั้งวางปูลาดอาสนะอะไรต่างๆเนี่ยจัดตั้งวางให้มันเข้าที่เข้าทางให้เหมาะกับการทำกิจกรรมนั้นกิจกรรมนั้นจะเดินดำเนินไปได้ดีนี่มาใช้เป็นภาษาที่เป็นเรื่องของสังคมแล้วเป็นนามธรรมมากขึ้นแล้วกลายเป็นคาว่าบัญญัติก็คือจัดตั้งวางระบบระเบียบต่างๆ คำว่าบัญญัติเนี่ยคือคำว่าจัดตั้งนั้นเรื่องวินัยก็เป็นเรื่องของสมมติและบัญญัติสมมติก็คือมติร่วมกันยอมรับรับรู้ร่วมกันว่าเอาอย่างนี้แม้กระทั่งใช้ภาษาเรียกอันนี้ว่าอย่างนี้แล้วก็บัญญัติก็คือวางจัดตั้งลงไปว่าเอาอย่างนี้นะเป็นข้อกาหนดเลยว่าต่อไปนี้นะต้องให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้ผิด เช่นบัญญัติว่าถึงวันแรมหนึ่งค่ำให้พระพิกษุตกลงใจหาที่อยู่ให้แน่นอนลงไปแล้วก็กําหนดใจว่าจะอยู่จำาศาร์ที่นั่นอย่างเนี้ยเรียกว่าบัญญัติพระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วก็คือจัดตั้งระเบียบข้อบัญญัตินี้ไวท้ทีนี้ข้อบัญญัติสําหรับพระสงฆ์เนี่ยก็มีไว้เพื่อการฝึกเพราะชีวิตของพระสงฆ์นี่เป็นชีวิตที่บอกแล้วเป็นชีวิตแห่งศีขาการฝึกฝนพัฒนาชีวิตเท่านั้น นั้นสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยก็จะเชื่อมโยงไปสู่ความมุ่งหมายในการฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาชีวิตทั้งนั้นฉนั้นข้อที่บัญญัติแต่ละข้อเนี่ยก็เลยเรียกว่าสิกขาบทจะเห็นว่าข้อบัญญัติที่พุทธเจ้า ว, วางวางเนี่ยเป็นข้อข้อข้อข้ อ, ขอจะเห็นว่าเรียกว่าสิกขาบทก็แปลว่าข้อศึกษาให้เห็นว่าวินัยที่พระพุทธเจ้า ว, วางเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพราะว่า พุทธศาสนานี้มีขึ้นเพื่อจะพัฒนามนุษย์ให้มนุษย์ศึกษาฝึกฝนพัฒนาชีวิตของตนในการจัดตั้งวางระบบระเบบต่างๆการจัดสรรความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์การจัดสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆมันก็โยงมาหาเรื่องความมุ่งหมายอันนี้จัดเพื่อการศึกษาแต่ละข้อที่บัญญัติขึ้นมาก็เลยกลายเป็นอย่างที่ว่าเรียกว่าศิกขาบทหมนก็เราจะเห็นว่าบัญญัติ ในทางพุทธศาสนามีเพื่อการศึกษาทุกคนจะต้องมีจิตสานึกว่าอ๋อมีไว้สําหรับฝึกตัวของเรานะเพื่อความดีงามเพื่อชีวิตที่งอกงามไม่ใช่เป็นข้อบังคับนะบัญญัติในพุทธศาสนาไม่ใช่ข้อบังคับเรามักจะไปแปลกันข้อบังคับพอไปแปลกันข้อบังคับแล้วมันทําให้รู้สึกอึดอัดใช่มครัท่านไม่ได้ถือเป็นข้อบังคับเป็นข้อฝึกนะศึกขาบทข้อฝึกข้อศึกษาข้อเรียนรู้ ถ้าใครไปถือข้อบังคับก็รู้สึกโดนบีบแหละพระเจ้ามาบีบเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะี่ยมันก็ไม่สบายใจเนะี่ยมันต้องทําตามด้วยความจําใจแล้วมันไม่มีจุดหมายใช่ไหมมันผูก บ, บังคับมันก็แล้วแต่คนที่บังคับเขามีจุดหมายยังไงเราไม่มีความมุ่งหมายก็เราเองความมุ่งหมายมันอยู่ที่คนบังคับแต่ถ้ามันเป็นข้อศึกษาแล้วจุดหมายมันอยู่ที่เราเลยก็คือเพื่อพัฒนาชีวิต เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะต้องเอาประโยชน์จากวินัยกฎ ร, ระเบียบกติกาแม้แต่ไทยทางบ้านเมืองสังคมถ้าใช้หลักการอันเดียวกันเนี่ยถ้าเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ก็จะเป็นทํานองเดียวกันและคือเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อที่เรามีสังคมขึ้นมาอย่างนี้ทําไมเราต้องมีสังคมและสังคมนี้จะตั้งอยู่ได้ด้วยอะไรตั้งอยู่ได้ด้วยหลักการหลักการที่มาจากความจริง ที่เราเรียกว่าความถูกต้องความชอบธรรมต่างๆความจริงความถูกต้องความชอบธรรมที่เป็นหลักการนี่มาจากไหนสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติธรรมชาติของชีวิตมนุษย์อะไรเป็นต้นที่มุ่งไปในแง่ที่ว่าเพื่อจะให้ชีวิตนี่มันดีงามขึ้นจะต้องปฏิบัติอย่างไรมันจึงจะเป็นไปตามหลักเหตุปัจจัยที่ถูกต้องทําเหตุปัจจัยยังไงชีวิตจึงจะเป็นไปในทางที่ดีเรามุ่งเอาเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นไปในทางที่ดี ตัดไอเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดผลเสียออกมาเราก็วางระบบขึ้นมาในทางสังคมเนี่ยเพื่อจะให้ชีวิตดีมันหนุนชีวิตให้อยู่ดีจะเลยงอกงามก็วางระเบียบกฎเกณฑ์กติกาในทางสังคมในทางชุมชนเพื่อตัดเหตุปัจจัยหรือช่องทางแห่งเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดผลเสียต่อชีวิตแล้วก็ ตั้งวางระเบียบระบบข้อปฏิบัติต่างๆที่จะมาเกื้อหนุนให้โอกาสกับเหตุปัจจัยที่จะมนหนุนให้ชีวิตเจริญองอกงามเท่านั้นเองอันนี้สังคมเองที่จริงก็ตั้งทำแบบนี้อันนี้คือความหมายของวินัยในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพอเรามองงี้เราก็จะเห็นว่าวิ น, ยนัยมันตั้งอยู่บนธรรมะอีกทีวินัยตั้งอยู่บนฐานของธรรมะก็หมายความว่าการที่มีวินัยนี้ ต้องมีธรรมะเป็นฐานธรรมะก็คือความจริงความถูกต้องหลักการต่างๆเริ่มตั้งแต่ความจริงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติเหตุปัจจัยความจริงตามสภาพชีวิตของมนุษย์เป็นต้นแล้วก็เอาเหตุปัจจัยในแง่ที่ว่ามนหนุนให้เกิดความเจริญงอ ง, งามแล้วก็พยายามปิดกั้นเหตุปัจจัยหรือกําจัดเหตุปัจจัยในฝ่ายที่จะทําให้เกิดผลเสียใช่ไหม อันนี้ก็คือวินัยมาอาศัยธรรมะนะคนที่จะวางวินัยได้ผลก็ต้องรู้ธรรมะรู้ความจริงของธรรมชาติว่าความจริงเช่นเหตุปัจจัยยังไงมันจึงจะทำให้เกิดผลเสียเหตุปจัจจัยไงทำให้เกิดผลดีแล้วก็วางวินัยได้วางวินัยก็เกิดที่ว่าเนี่ยวินัยก็มาปิดกั้นช่องทางที่จะให้เกิดผลเสียตัดเหตุปัจจัยฝ่ายร้ายออกแล้วก็ เปิดโอกาสหนุนเหตุปจัยฝ่ายดีฝ่ายสร้างสรรค์ขึ้นมานี่ก็คือการวางวินยัยบนฐานของธรรมะก็ต้องรู้ธรรมะรู้ความจริงของธรรมชาติเป็นต้นก่อนพอเมื่อวินัยนี่ตัวจากเจตนาที่ดีโดยรู้เข้าใจมีปัญญาเข้าถึงความจรงิงตามธรรมชาติมันก็เรียกว่าวินายนะั้นชอบธรรมและจะได้ผลจรงิงถ้าวินัยไม่ถูกต้องตามหลักความจริงของธรรมชาติไม่ไปไปได้ชอบธรรมเพื่อผลดีขนชีวิตเป็นต้นมันก็งอนเงันแหละเข้ามา นั้นวินัยก็ต้องตัง้งบนฐานกุศลธรรมแล้วก็ที่จริงวางขึ้นเพื่ออะไรก็เพื่อธรรมะนั่นเองก็คือว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการความเป็นจริงแล้วก็จํากัดแคบลงมาให้เป็นไปตามหลักการความจริงเช่นเหตุปัจจัยในทางที่จะให้เกิดผลดีกับชีวิตเพราะมนุษย์ต้องการผลดีก็นี่แหละก็เลยเรื่องของวินยัยกับธรรมะก็คู่กันแต่ลองว่าวินัยก็เพื่อธรรมะ แล้วก็ตั้งอยู่บนฐานก็ธรรมะทั้งอาศัยธรรมะแล้วเป็นไปเพื่อธรรมนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อไอ้วินัยเนี่ยตอนแรกมันอาจจะเกิดจากเหตุแวดล้อมมาทําให้มีขึ้นอย่างเรื่องเข้าวรรษาเนี่ยเหตุแวดล้อมที่จะมาทําให้เกิดวินัยข้อนี้ก็เพราะว่าเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมฤดูการ เรื่องของการเดินทางไม่สะดวกในฤดูฝนดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออํานวยหนทางเฉ่อยแฉะเป็นต้นแล้วการเดินทางสมัยนั้นก็ไม่ได้สะดวกไม่มีพยานพาหนะไม่มีถนนหนทางเรียบร้อยอย่างสมัยนี้นี่ยก็เดินทางก็ลําบากแล้วก็เขาเองพวกคนข้างนอกเขาก็นิยมอยู่ประจําที่นักบวชลทัทธิอื่นก็อยู่ประจําที่อันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่เข้ามาจะเรียกว่าบีบก็ได้นะ ให้พระเนี่ยควรจะต้องอยู่ประจาที่พุทธเจ้าก็อนุวัตตามเรื่องของสภาพแวดล้อมและประเพณีของชนสมัยนั้นก็จึงบัญญัติอันนี้ขึ้นนะแต่ว่าอันนั้นก็คือมองสั้นๆในแง่ของเหตุปัจจัยของธรรมชาติก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งแต่ทีนี้ว่าทำยังไงจะให้วินัยข้อ น, นี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วมามีความหมายใน ทางธรรมะที่ได้ผลแก่ความมุ่งหมายของชีวิตพระสงฆ์คือศึกษาด้วยก็เลยต้องจัดกันว่าเอา้าเมื่อวินัยนี้เมื่อพร ะ, ะสงฆ์อยู่ประจําที่แล้วเรามาจัดระบบชีวิตในพรรษาในการอยู่ประจําที่เนี่ยให้มันเกื้อนหนุนต่อชีวิตแห่งการศึกษายิ่งขึ้นตอนนี้แหละมันก็อยู่ที่ว่าใครจะจัดได้เท่าไหร่นีก็เกิดมีพัฒนาเรื่องอาเช่นในชุมชนสงฆ์เองก็จะให้ พระเนี่ยได้อยู่ประจําที่แล้วมีพระที่เป็นรุ่นผู้ใหญ่เป็นบุญชาอาจารย์จะได้เป็นกัญยาณมิตรแก่พระรุ่นหลังพระรุ่นหลังพระมีภรษาน้อยหรือได้ร่ำเรียนมาน้อย mm. ก็จะได้มีที่ปรึกษาได้ร่ำเรียนมากขึ้นต่อมาก็เกิดกิจกรรมว่าเวลาในภาษาเวลาที่เหมาะที่สุดแล้วตั้งชั้นเรียนทาโรงเรียนสอนกันเอาจิงเอาจัง ต่อมาก็พัฒนาไปอีกว่าพุทธศาสนาเป็นที่นับถือของประชาชนทั่วไปชาวบ้านก็นับถืออยู่แล้วมาวัดมาฟังธรรมเป็นต้นเออคนหนุ่มของเรานี่ตอนนี้พระก็อยู่ประจำที่กันเ อ, อ่ออานวยต่การเล่าเรียนสั่งสอนเกิดประเพณีขึ้นมาอีกให้คนหนุ่มเนี่ยมาบวชอยู่กับพระ ในตอนนี้จะได้มาเล่าเรียนศึกษาธรรมะเพราะมีพระรุ่นเก่ามาอยู่ประจําที่ท่านไปไหนไม่ได้ก็จะได้ทํางานนี้ได้เต็มที่พิ่ไหนก็เข้ามาหนุนในเรื่องกิจกรรมในการศึกษาที่เป็นเรื่องธรรมะนี้เข้าไปแล้วก็กิจกรรมฝ่ายญาติโยมก็หนุนเข้ามาว่าเออทำไงาญาติโยมทั่วไปจะได้ประโยชน์ด้วยนอกจากว่าคนหนุ่มได้บวชเรียนแล้วแล้วก็เลยมีว่าเอาโยมก็พระก็อยู่ประจํากันพร้อมท่าน ผู้เทศผู้สอนก็อยู่อย่างนั้นในภาษาก็มาถืออุโบสถกันที่วัดมาค้างแรมที่วัดกันอา้าวญาติโยมก็มารักษาศีลกันอยู่ที่วัดในภรษาแล้วก็มีการทำบุญเลี้ยงพระเพื่อให้ท่านอยู่ได้สะดวกในภรษามีการทำบุญถ้าตามต่างจังวันนี้จะทำบุญทุกวันพระเลยเลี้ยงพระกัน แล้วก็เมื่อเลี้ยงพระแล้วก็จะได้โยมรับศีลแล้วได้ฟังธรรมด้วยก็จะได้รับการศึกษาด้วยพระนอกจากว่าจะสอนกันเองก็สอนญาติโยมไปด้วยโยมก็อาจจะจัดชั้นเรียนยอะไรต่างพิเศษขึ้นมาก็คือกิจกรรมในทางการศึกษาก็เพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทายังไงจะให้วินนยเนี่ยมาเป็นเครื่องช่วยอุดหนุนส่งเสริมวัตถุประสงค์ ในทางธรรมวินัยก็คือสิกขาการพัฒนาชีวิตของบุคคลเนี่ยให้มากที่สุดก็พยายามจัดกันขึ้นไปอันนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างวินัยกับธรรมะพระพุทธศาสนาก็มีสองอย่างธรรมะกับวินัยเราตั้งรู้ว่าวินัยนี้เป็นของสมมติเป็นของบัญญัติแล้วก็มีขึ้นบนฐานแห่งธรรมะและมีเพื่อธรรมะถ้าไม่มีธรรมะมาเชื่อมไม่มีธรรมะรองรับและไม่เป็นไปเพื่อธรรมะวินัยนั้นก็จะหมดความหมายไป นี่คนที่ถือศักดิ์แต่ว่ารูปแบบต่อไปก็จะไม่มีความหมายไม่รู้ว่าเพื่ออะไรมองไม่เห็นธรรมะที่อยู่กับวินัยนี้ในที่สุดก็จะเพี้ยนจะลาดเคลื่อนวินัยรูปแบบก็จะกลายเป็นประเพณีที่ไม่รู้อะไรกลายเป็นเรื่องโชคลางกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีความหมายบางทีดีไม่ดีก็ออกไปทางศิลศาสตร์ะไรไปเลยเนี่อย่างที่เราจะเห็นกันเน่เพราะนั้นการศึกษานี่สำคัญ ที่จะรักษาพุทธศาสนาก็าเอาไปว่าวันนี้ก็เลยได้พูดซะยืดยาวให้เห็นว่าที่แท้แล้วก็เป็นเรื่องว่าเรามาจำมรรษาตามพุทธบัญญัติที่เป็นเรื่องวินยัยแต่ว่าวินัยนั้นก็เพื่อธรรมะนั่นเองธรรมะในความหมายจํำพาะในที่นี้ก็โยงมาที่ข้อปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของเราก็คือศิกขานั่นก็วินัยในการจำมรรษาก็เป็นศิกขาบทข้อหนึ่งก็เป็นข้อศึกษาที่จะฝึกฝนชีวิตของเรา แล้วเราก็พยายามที่จะเอาวินัยทั้งหมดเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดโดยโยงก็หาธรรมะด้วยการที่มาศิกขาศึกษาเรียนรู้ศึกษาฝึกหัด พ, พัฒนาชีวิตของเราแล้วก็ฤดูการนี้ก็เป็นฤดูแห่งการศึกษามากขึ้นยิ่งกว่าปกติแล้วก็ท่านบวชเข้ามาก็สอดรับกับวัตถุประสงค์นี้ก็คือเป็นการบวชเรียนนะการบวชเรียนของเราก็เพื่อการศึกษา นั้นต่อตอนนี้ไปวันนี้เริ่มต้นแล้วว่าที่ท่านบวชมาที่จริงก็บวชเพื่อจะมาช่วงเข้าพรรษาแล้วก็พรรษามาเริ่มวันนี้ที่เรามาบวชกันนั้นเริ่มจริงวันนี้เองีนวันนี้เริ่มก็คือเริ่มชีวิตแห่งการศึกษาในพระธรรมวินัยอย่างจริงจังเอาขอให้ทุกท่านเนี่ยตั้งใจว่าต่อวันนี้เราจะได้ดําเนินชีวิตในช่วง อย่างน้อยสามเดือนนี้สำหรับท่านที่อธิษฐานรรษาสำหรับท่านที่ไม่อธิษฐานรรษาก็สุดแต่ว่าอยู่นานเท่าไหร่ก็ตั้งใจให้ใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในการศึกษานี้ศึกษาที่แท้นั้นก็คือชีวิตของเรานี้ชีวิตนั้นก็ดาเนินเป็นถูกทางก็เป็นมักแต่การที่ชีวิตจะดาเนินไปถูกทางเป็นมักได้ก็ต้องไปฝึกมัน ฝึกมันก็ฝึกด้วยสิกขาเมื่อฝึกมันด้วยสิกขามันก็เป็นชีวิตที่ดีก็เข้าสู่มรคไปนเพราะฉะนั้นสีสมาธิปัญญาเอามาฝึกเป็นสิกขาพอเดินไปชีวิตของเราไอ้ศีสมาธิปัญญานั้นก็กลายเป็นมรคไปก็ทําให้สองอย่างนี่ยมันรับกันอยู่เอาสิกขามาฝึกตัวเราให้เข้ามรคเดินหน้าไปในมรคเรื่อยไปแล้วจะกระทั่งว่าสิกขากับมรคก็อันเดียวกันนั่นแหละพอเราฝึกยังไงมันก็ได้อย่างนั้นฉะนั้น สีสมาธิปัญญาก็เลยอยู่ทั้งฝ่ายมักทั้งอยู่ศิขาด้วยเราก็ใช้ศีสมาธิปัญญานี้มาเป็นหลักการของชีวิตของเราแล้วก็วัดตัวเราด้วยเดินหน้าไปเรื่อยๆในการศึกษาของเรานี้ให้เวลาสามเดือนแห่งฤดูฝนหรือจํำภาษานี้เป็นประโยชน์มากที่สุดก็ตั้งใจกันไว้อย่างนี้นะก็ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของชีวิต มันก็เป็นทุกเวลาไม่เฉพาะในชั้นเรียนชั้นเรียนนี้เป็นเพียงของเสริมเป็นเรื่องตามยุคสมัยสมัยก่อนท่านก็ไม่ได้เรียนแบบนี้แต่ว่าชีวิตที่แน่นอนก็คือว่าในทุกเวลาเริ่มต้นตั้งแต่ท่านตื่นมาการศึกษาก็เริ่มทันทีการที่มาทํากิจวัตรการสวดมนต์ทุกอย่างนั้นก็เราก็ตั้งใจให้เป็นการศึกษาเราจะมองทุกอย่างเป็นการฝึกฝนพัฒนาชีวิตของตัวเองแล้วเราก็จะพยายามทําให้ดี ใช่ไหมเมื่อสวดมนเราก็จะพยายามทําสวดให้ดีสวดยังไงจึงจะได้ผลดีที่สุดทั้งแก่ตนเองแก่ผู้อื่นสวดให้ได้ผลดีกับตนเองก็เออทําไงจะมาช่วยให้การสวดมน์เนี่ยมาเป็นเครื่องนําจิตไปสู่ความสงบเป็นตน้นเะนีเพราะว่าการสวดมนนี้เขาใช้เป็นเครื่องเตรียมจิตจิตมันวุ่นวายคิดโน่นคิด น, น, ดนี่พอไปสวดมนเข้าจิตมันเริ่มรวมได้มาอยู่กับคาสวดซึ่งเป็นคําที่เป็นกุศลดีงามจิตมันก็ สงบห่องใสชื่นบานแล้วเตรียมจิตให้ดีเข้าสู่สมาธิได้แล้วก็ถ้าพิจารณาไปก็เกิดปัญญาแล้วก็ไปสัมผัสผู้อื่นอย่างไรอ้าวเป็นเรื่องของชุมชนเราเป็นส่วนร่วมของชุมชนนี้สัง้านี้นะเราจะต้องมาช่วยกันสร้างสารรค์ทำให้ชุมชนนี้ดีงามนะให้ชุมชนนี้เป็นระเบียบท้าเรียกว่าทำให้สงนิงงามเพราะฉะนั้นเราก็สวดมนต์ให้ดีให้เป็นระเบียบ แล้วสังฆะของเรามีความพร้อมเพียงเป็นระเบียบ ง, งดงามนีทาเรียกว่าเป็นสังฆโสพโนเป็นผู้ทำสงให้งามสงก็พลอยดีไปด้วยเราก็คำหนึ่งถึงสุตรรวมไปในตัวเสร็จแล้วเมื่อสงงามนี่สงนี้ก็จะพร้อมเพียงกันที่ทากิจหน้าที่ต่อประชาชนได้เพราะสงนี้อยู่เพื่อประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกให้เขามีความสุข เมื่อพระสงฆ์สวดเรียบร้อยดีประชาชนได้ฟังจิตก็ปลื้มใจมีประาธาตุศรัทธามีความผ่องใสเขาก็มีความสุขเห็นพระสงฆ์สวดกันเรียบร้อยดีก็ยิ่งชื่นบานมีปีติมากขึ้นแล้วพระสงฆ์ก็ยิ่งมีความพร้อมเมื่อฝึกหัดตัวเองมีระเบียบในกิจหนึ่งหแล้วต่อไปก็ไปทำกิจอื่นก็เรียบร้อยไปด้วยน่จะไปเดินไปบิณฑบาตอะไรก็เรียบร้อยสงบ เราไปปินาบาตบ่ายก็ไม่ใช่ไปเพื่ออาหารเข้าตัวเองเท่านั้นนะฮะอันนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างญาติโยมกับพระที่ท่านบัญญัติให้พระเนี่ยต้องไปปินตบาตปีนตะบาตก็โยมเขาได้เห็นว่าเออท่านภู้นีรรนะ้ทหน้าที่รักษาธรรมะไว้ให้แก่สังคมเราจะต้องช่วยกันดูแลก็ช่วยถวายอาหารพระก็มีหน้าที่ให้ธรรมะแก่ประชาชนก็ต้องตั้งใจดีต่อประชาชนว่าทําไงจะให้เขา มีชีวิต ท, ที่ดีงามมีความสุขมีความจเจริญขึ้นไปอย่างน้อยก็เมื่อเห็นพระปรากฏขึ้นที่ไหนก็ให้จิตใจเขาผ่องใสจิตใจเขารู้สึกปราบลืม้มเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่มัวหมองให้ได้เรียกว่าปัสสาทะความผ่องใสของจิตใจเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งใจดีต่อญาติโยมจะออกไปบิณฑบาตก็นึกถึงว่าเออขอให้ประชาชนญาติโยมที่ตักบาตรและแม้ไม่ได้ตักบาตรเขาได้ชื่นใจมีความสุขเนี่ยตั้งใจดี ตั้งใจดีเราก็สบายใจด้วยเราก็ออกไปบินดาบาัดแล้วก็อยู่สํารวมในกายวาจาแล้วก็ห่มผ้าและแตะไลดีให้ประชาชนเห็นแล้วก็จิตใจผ่องใสเบิกบาในให้เขาเริ่มต้นวันด้วยมงคลเนี่ยคือที่เราทํากิจกรรมทุกอย่างเนี่ยทั้งฝึกตนเองทั้งเป็นไปเพื่อชุมชนสงฆ์แล้วทั้งเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนต้องทําให้ได้ทั้งสามนะฮะทุกกิจกรรม และวเมื่อท่านทำอย่างนี้นะก็เป็นการฝึกตัวเองหมดทั้งสามอย่างนั่นแหละประดีเพื่อตัวเองหมดหน้าที่ของพระต่อประชาชนก็ให้ธรรมะให้ธรรมะก็โดยพูดและโดยไม่ต้องพูดถ้าโดยไม่ต้องพูดก็คือปรากฏตัวเมื่อไหร่ให้จิตใจประชาชนพองใสร่มเย็นเป็นสุขเมื่อนั้นเอาแล้วครับอันนี้นะเท่าไปอันว่าชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่เช้าตื่นนอนมาก็ตั้งใจฝึกอย่างที่ว่าเนี่ยจะดีหมดจิตของเราก็เป็นกุศล แล้วก็จะเลยงอก ง, งามแล้วเป็นผลดีแก่สงแก่ประชาชนแก่ประเทศชาติไปหมดเลยอึงกระทั่งว่าเล่าเรียนศึกษาอะไรคิดแต่ว่าเราฝึกตัวอย่าไปคิดไปครบ อ, ปอบัอบงคับไปครอบกาหนดเ้าบังคับเราให้ต้องทํางั้นงี้ถ้าอย่างนั้นจิตใจก็ไม่ชื่นบานอึดอัดแล้วก็ไม่ได้ผลดีเสียสุขภาพจิตแต่ถ้านึกว่าฝึกโอ้ชีวิตของเรานี่เราต้องฝึกเราจรึงจะดีใครยิ่งฝึกมากยิ่งได้มากใช่ไหมฮะ อันนั้นอันไหนที่มันยากเราก็ยิ่งได้โอกาสฝุดกันใหญ่เลยท่านบอกยิ่งยากยิ่งได้มากแล้ยิ่งยากก็ยิ่งต้องฝึกตัวมากแลยิ่งฝึกตัวมากก็ยิ่งได้มากเรายิ่งพัฒนาเรายิ่งเข้มแข็งยิ่งมีมีความสามารถคุณสมบัติดีงามก็ยิ่งพัฒนานั่นก็เป็นกระบวนการที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์เท่านั้นเลยทั้งการชีวิตตนเองและผู้อื่นทั้งสังฆะและทั้งประชาชนทั้งหมด เอาละครับต่อไปนี้ก็เราก็เริ่มชีวิตแห่งการศึกษากันไปแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ก้าวหน้าประสบผลสําเร็จในการศึกษาทั่วกันแล้วก็ให้การศึกษานี้ก็เป็นทุนต่อไปเป็นพื้นฐานให้ท่านมีชีวิตที่จเจริญ ง, งอกงามในความสุขทั้งตนเองโยมพ่อแม่ที่ตั้งใจอุปถัมภ์การบวชครั้งนี้โยมปูญาติตายายญ า, าติมิตรทั้งหลายตลอดจนกระทั่ง เพื่อนรวมชาติรวมโลกทั้งหมดขอให้เป็นสุขทั่วกันก็ขออนุมโมทนาทุกท่านเอาละครับวันนี้